ฟังทมกันสลพ่อจะเป็นผู้พูดให้ฟังพูดในเรื่องชีวิตจิตใจของเรานี่แหละเราพวกเราก็มาช่วยกันมีพลังศรัทธามีความเพียรมีสติ มีสมาธิมีปัญญาสร้างพลังขึ้นมามาช่วยกันมันเกิดการฉุกเฉินคนหลงเลยหรือว่าเป็นการฉุกเฉินวันที่กะคือกระตือหรือล่นเพื่อระงับไม่เกิดความหลงอย่าเพิกเฉยเลยละ แล้วก็เกิดความโกรธความโลภ ค, ความทุกข์เกิดการอิจฉาพยาบาทเปลียนเบียนกันได้ไม่ว่าฉุกเฉินก็ได้หรือบัติเหตุก็ได้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตบางทีเป็นชีวิตพิษภัยต่อทรัพย์สินกระทบกระเทือนไปมากนะพวกเราอย่าเน้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยๆความหลงที่เกิดขึ้นจากตัวเรา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 เรามาเจริญสติเรามาสร้างศรัทธาสร้างความเพียรปลูกสติลงไปให้มันแน่นหนาเพื่อจะป้องกันภัยอันตรายข้างลายเหมือนโลกทวนนี้บางประเทศเราสร้างระเบิดนิวเคลียร์สร้างอาวุธเคมีประเทศทั่วโลกเห็นว่ามันจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ก็ไปควบคุมตรวจสอบ <c oughs> ในใหจาระก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยพอที่จะไ ป, ไปคิดสร้างอย่างนั้นขึ้นมาอาศัยสมองอาศัยปัญญาเขโก โอมีปัญญาเรียนรู้การทำนา้มันออกนอกเรื่องไปแต่การปฏิบัติเนี่ยเป็นพุทธปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาต้นต่อของสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องไปใช้สตาอาวุธทุกชีวิตรับผิดชอบตัวเองมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวนะขอยดูแล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 ก่อนที่มันจะเกิดเป็นอย่างอื่นมันก็ตั้งต้นเหมือนๆกันเป็นความหลงหลงไปทางไหนหลงไปทางกายหลงไปทางจิตใจหลงไปทางตาทางหูจมูกลิน้นกายใจลูกรสกลิน่นเสียงพอเราไม่สติคอยดูแลอยู่สิ่งที่มันจะหลงมันก็ไม่หลงแม้มันควรจะหลงมันก็ไม่หลง เพราะตัวลูกคุมอยู่ววนเลดา้าอะไรที่ผ่านมามันลู้จับคอยพอไปแกขไขตรวจสอบทักท่วงบอกเห็นเห็นกายมีสติเห็นกายมีสติเห็นจิตใจเรื่องของกายก็ไม่มากที่มันเกิดขึ้นกับกายหลายอย่างที่เราเรียกว่าเวทนาบ้าง เป็นสุขเป็นทุกข์ว่าความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความงงเอาหอนความโมเลยสงสัยความคิดความพยาบามอะไรต่างๆที่มันจะข้ามหน้าข้ามตาแบบป่าเถื่อนมันเป็นความเถื่อนมันไม่ชอบทำเลยไม่เหมือนกับความรู้สิกตัว ความรู้สึกตัวเป็นการชอบทาในโลกมันต้องปกติแบบนี้มนุษย์สยชาติมันต้องเป็นอย่างนี้ปกติอย่างนี้ทุกคนต้องการปกติอย่างนี้เร า, าสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มันเห็นต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างดูแลตรวจสอบทักท่งตัวเองสอนตัวเอง อะไรที่มันเกิดขึ้นมาลู่เท่าลู่ทันอพอที่จะลบ ก, ก็ลบขมงตะลงสนามสนามลบพอหลบพอหลีกก็หลีกไปพอจะลบก็ลบไปปาบไปปลามไปยึดไว้คองไว้คุมไว้ความรู้สึกตัวเป็นอาวุธ พอที่จะหุมเชิงของอรรธรรมทั้งหลาดแล้วก็พยายามใช้ความรู้สึกตัวตัวเราก็ต้องสร้างสร้างให้มันมี <c oughs> ให้มันมีถ้ามีแล้วมันก็ใช้ตายะไม่มีอะไรที่ใช่สนุกสนานมันก็ใช่สติใช้อื่นอื่นไโอ เป็นโทษเป็นไถ่จีบหายว่ า, าวายวอดกันแต่การใช่สตินี่ยลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองนะสนุกเป็นธรรมเป็นความชอบที่สุดการใช้สติการสร้างสติเนี่ยเอาเมายอะไรก็สร้างไปเถอะแต่ว่าเรามาสร้างสติให้มันมี์อยให้มันจนเรื่องนี้เลยของเราโล่ ะ, ะไม่แต่การเห็นสติเขาไปเห็นมันเห็นของจริง จริงแบบไม่จริงก็มีจริงแบบจริงก็มีมันก็มีมันยังมีอยู่ในโลกมันจริงแบบไม่จริงคนก็ทุกข์แบบจริงแบบไม่จริงคนก็สุขแบบจริงแบบไม่จริงมันก็โลกก็ปวดก็หลงแบบจริงแบบไม่จริงของที่ไม่จริงคนก็ยังยอมรับจมสาภาพเป็นทุกข์เป็นสุขกับเขา ความจริงแบบไม่จริงความไม่เที่ยงมันจริงแบบไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มันจริงแบบเป็นทุกข์ความเป็นสุขมันจริงแบบเป็นสุขแต่มันไม่จริงโดยปณิมัติแล้วก็ถูกหลอกต่อเพื่อเพือเฉยๆแล้เวลาเราก็ไปหาความสุขความสุขก็วิ่งหนีเรากลัวความทุกข์ความทุกข์ก็ว้วิ่งไล่ตามไป มันก็เหนื่อยยันตายไปฮพัวหาความสุขเปรี่ยนความทุกข์สองคนต่างผักต่างใสไปไม่ต้องการแย่งเอาความสุขปฏิเสธความทุกข์ที่จริงมันไม่ต้องมาดูมาดูมาเห็นมันจริงแบบในจริงการเห็นนี่มันสมบูรณ์แบบ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 ไม่ต้องเรื่องยาวเรื่องมากมันใช้ได้สั้นๆใช้ได้ทุกต้องเป๊ะตรงเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุเนยพระผลงานของสติสิ่งที่เรามีเราสร้างขึ้นมามันใช้ได้เห็นอะไรเห็นในเรื่องของชีวิตเราเ น, นี่แหละเหมือนกันทุกคนทุกรูปทุกนามยิ่งไปเห็นรูปเห็นนามแล้ว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 แต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ในสภาวะธรรมมันก็ยังมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมันมันระงับตายมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีนะแต่ว่าแต่วงคนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ต้องให้มันเป็นใหญ่มันเนื้อมันโงอกอยู่ในร่างกายของเราต้องให้มันคลองให้มันตายเป็นเรื่องเป็นราาไปแทนที่จะ ระงับหรือควบคุมทําให้หมดไปเช่นหมอตรวจโรคพ็ษกอเมื่อที่จะกลายเป็นมะเร็ง ต, งตัดออกมันก็หมดไปไม่มีอะไรที่มาทําให้เกิดการเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายความโลภความโกรธความหลงมันเป็น กิเลสอย่างยอยาบๆเป็นของที่ออกก่อนหมูหมดไปก่อนเขาตัวนี้นะถ้าเราไม่ผ่านตัวนี้นะเราก็จะผ่านานสวรรค์นในผ่านก็เป็นไปได้ยากการปฏิบัติธรรมมันมุ่งหน้าเข้าไปสู่ตรงนี้จริงๆพอมีเจตีเห็นกายเห็นใจเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมามันเพื่อ มุ่งหน้าก็ไปสูงแดนนักลกอย่างนี้เลยตกเพราะมันจะเกิดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวมันสร้างความเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมมันต้องป่าบไม่ใช่เราจะไปปราบมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนแสงสว่างกาจัดความมืดอย่างนี้นะมันเป็นไปตามธรรมชาติ เราเราพอไปคิดว่ามันจะเป็นไปพอไปทำเข้าจริงๆโอ้โหมันเป็นไปทำรองนี้่ในความรู้สึกตัวความหลงก็น้อยลงน้อยลงความรู้สึกตัวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการที่เข้าไปเห็นสภาวธรรมต่างๆเขเปิดเผยมันเปิดออกให้เราผ่านได้ที่น่่นที่นี่มันเราเดิน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 โผให้เราเห็นชัดเจนเหมืนอนคนเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติก็ไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นแจ้งในกายไม่เคยเห็นแจ้งในเวทนาไม่เคยเห็นแจ้งในความคิดไม่เคยเห็นแจ้งในธรรมแต่พอเมื่อมามีสติมันเกิดการเห็นแจ้งอันนี้เห็นแจ้งจริงๆจนอถ้าจะพูดก็พูดแบบพระพุทธเจ้าบอกสอนพวเราว่ากายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตนตนเราเขา เห็นแจ้งไป่หละแต่ว่าการเห็นแจ้งไม่ใช่ทำผู้เห็นเวทนาเหมือนกันเวทนาก็สัอกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเห็นแจ้งไม่เคยเห็นแต่ก่อนมันกบเกลื่อนปิดบังอําพลางเราอยู่ตายก็ทำให้หลงเวทนาก็ทาให้หลงความคิดจิตใจก็ทำให้หลงธรรมที่เกิดขึ้นกับใจก็ทำให้หลงเป็นศุขเป็นทุกข์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 ที่เป็นกุศลอกุศลละอกุศลสร้างกุศลไปทันทีไม่มีการบ้านไม่มีอกุศลความโลภความโกรธความหลงไม่มีมฆก็บอบบางเต็มทีไม่ถึงกับเป็นภะละมันเห็นแก่งไปจำลองนี่นะการเจริญสติพอสร้างสติไปจะอันนี้จะซึ่งหน้าเลยตรงหน้าเลยไม่มีใครที่จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะ เราก็ทําตรงๆอยู่แล้วยกมือสร้างจังหวะนีะ่มีสติเนี่ไปยกนี่มีสตินะไม่ใช่ทํำเฉยๆยกเกิดความรู้จึกตัวชาก็ทำเอาเองไว้ก็ทำเอาเองบางทีมันไว้มันคุมเกินไปเราก็ทําของเราชาใส่ความรู้สึกเข้าไปลึกซึ้งกับกายที่มันเคลื่อนไหวมันก็เกิดการเห็น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 เข้าทางเข้าเส้นถ้าเป็นนักรบก็ยืดตายใครชนะไปเรื่อยๆใครชนะไปเรื่อยๆอะไรที่เห็นทำได้แล้วเห็นแล้วทําได้แล้วอยืดตายแล้วเข้าทางแล้วเบาลงแล้วสงบลงแล้วกายสงบแล้วเวทนาสงบแล้วความคิดก็สงบแล้วทำก็สงบลงแล้วเรียบแล้วแต่ก่อนโควคาดเพะเรื่องอย่างนี้ กายก็ขู่ขะพอสมควรน ะ, ะเวทนาก็ขู่ขะกระดุกกะติกอกระทบ ก, กระเทือนเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เพราะกายเพราะเวทนาตอนนี้มันสงบไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์มันเรียบลงแล้วพิษภัยแห่งอภัยแห่งอาวุธสต า, าวุธไม่มีตรวจแล้วปลอดภัยแล้วใช่ ไ, ได้แล้วเรียบไปเรียบไปเรียบไป ไปเห็นโลกเห็นนามไปเห็นโลกเห็นนามก็เมืองกับยึดเมืองได้แล้วเปิดประตูเมืองแล้วถ้าเป็นรักโลกนะสิ่งที่มันเถื่นกลายเป็นธรรมขึ้นมาสิ่ที่มันเป็นพิษเป็นภัยไม่มีพิษไม่ภัยขึ้นมาเพราะมันมันจึงมีชัยชนะมันจึง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 มันผ่านความยากมาผ่านความลำบากมาเหมือนพวกเราที่มีไอคีบทำงานสำเร็จด้วยความยากลำบากและผ่านมาความยากลำบากทำให้เราไม่มีความสงาาส่าราศีถ้าใครไม่เคยผ่านความยากความลำบากมันก็ไม่มีอะไรสาเร็จนะการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติทำ ม, มันก็คือการอาแก้ปัญหานั่นแหละเฉลยปัญหานั่นกายมันก็มีปัญหาเวทนาจะมีปัญหาเราเคยหลงเรื่องกายเราเคยหลงเรื่องเวทนาเราเคยหลงเรื่องของความคิดเราเคยหลงในธรรมะลมเรื่องของจิตใจพอ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 ผ่านได้แล้วในตัวปฏิบัติเป็นอย่างน้นมันพ้นไปก็ว่าพ้นไปก็คือมันผ่านเอาไว้หลังแล้วที่สุดก็คือวิมุตตความหลุดพ้นนี่แหละการปฏิบัติธรรมพ้นจากอกุศลละธรรมทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลาย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 ปับันนี้พอเราคามีสติไม่เห็นความคิดที่มันหลงคิดเท่านั้นเองเป็นเรื่องใหญ่สําหรับการปฏิบัติเฉยไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเ ก, เ, เกิดขึ้นเจอเราเป็นการฉุกเฉินเกิดขึ้นเจอเราต้องรีบด่วนมีสติรีบด่วนรู้จักตัวอรู้จักตัวอมาเพราะมันต่างกันกับความหลงกับความรู้นะความหลงนะต่างกันคนละโลกทีเดียวเราจะเรียกว่าโลกก็ออ๋อ โลกุตละโลกิยะเห็นกระแสเห็นกระแสโลกุตละเห็นโลกิยะโลกที่สัตว์โลกคล้องอยู่ติดอยู่พอันหลงมันก็แค่ตรงนี้ปดตรงนี้ไปนะความรู้สึกตัวเป็นอย่างนั้นไม่เฟิกเฉยเลยละไม่ปล่อยให้ลอยนวนได้ผมหลง หลงไฉยเลยลู่ทันทีก็ไปเกี่ยวข้องยิ่งไปโกรธไปทุกข์ลโอ้มันก็เป็นเรื่องหลงมากๆขึ้นไปอีกแล้วมันไม่ถึงโน้นคนมีสติไม่ถึงกับไปโกรธไม่ถึงกับไปทุกข์นะคนมีสตินะาคนโกรธคนหลงคนทุกข์นั่นแส้งว่าขาดสติไม่ได้ขาดอย่างอื่นหรอกไม่ใช่ไปว่าเขาเขาว่ากระล่าเขาทํากระล่า มันทำให้เราอย่างนั้นมันทาให้เราเนี่ยไม่ไปถึงโน้นมันมาตรงที่ความหลงว่าด้ไปโทษตอนทัดทียมมันโทษความหลงเป็นตัวกระทำเป็นตัวปฏิบัติลงไปแค่นี้อ่ะมันก็แก้อะไรทันทีไม่ไปโทษคนอื่นมันโทษตัวลงแล้วมีสติทันทีแก้ตรงไห น, นปับ๊บทันทีเลยทีเดียวอะ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 ของพ่อพูดไป น, นี่สามสิบกว่าปีก็พูดอยู่ตรงนี้แหละมันเป็นทางผ่านตรงนี้มันจะตันก็ตันตรงนี้นะในตัวหลงตัวลู่นี่แหละเอาเอาลงไปพวกเราไม่มากไม่เหลือไว้ใส่ที่เราจะทําได้ทุกชีวิตทําได้เพราะมันไม่อยู่กับเราเราเอาไม่ใช่มันนี่เราไม่ใช่เราไม่ใช่สิทธิของเราจนมันหลงเราไม่ใช่สิทธิที่จะต้องอโอบกุมลูม่มาใช่ มันทุกข์เราไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่ต้องไม่ให้มันเป็นทุกข์เราขยันตรงนี้สักหน่อยใส่ใจตรงนี้สักหน่อยนี่ตัวปฏิบัติตนาะถ้าไม่ทําตรงนี้ถ้าไม่ลงเวทีตรงนี้ถ้าไม่ลุกตรงนี้เราจะไม่อะไรเกิดตาทาไมกันอะไรที่เราควรจะทําแค่นี้เราทําไม่ได้จะไปทําอะไรจะข้อด้ามเหลวที่ตรงไห น, นเสียเวลา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 แตปล่อยต้อปล่อยต้องนี่แหละจะเปิดออกจากสายไข้คนแจแจ้โซกเอาต้องนี้แหละจะไปงงคนอื่นมเนมันหลวงปู่เทียนบอกว่าคญแก่เมื่อมันติดแล้วต้องมีลูกของมันเปิดป๊อกมันก็ออกคนแกแล้วการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสติสัมปชัญญะมันเป็นกุญแจดอกเอกเปิดเผยชีวิตของเราเปิดออกมา ใช่ลงไปใช่ลงไปอย่าให้ขาดตรงนี้อย่าให้ขาดแผนตรงนี้หัดลูอเอาไว้หัดลูอเอาไว้ถือไว้ให้เป็นสมบัติของเราจริงๆความรู้สตัวนะ่ะถ้าไม่แช่นั้นความหลงมันจะมาคลองชีวิตเราต้องสร้างความรู้สตัวให้เป็นสมบัติของเราเอามันอยู่ตรงนี้แหละ แม้จะพูดเรื่องมากเรื่องผลเรื่องวิธีนั่นความพ้นความยานไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนั่นมันไม่ต้องพูดถ้าเรามาทำตรงนี้เราพูดเราเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นพูดให้ฟังเป็นเป็นเรื่องของเราพูดออกมาแมนะ้บางทีมันไม่มีคาพูดต้องปิดปากต้องเงียบไปเลยมันไม่มีอะไระตัวปฏิบัติธรรมน่ะก็าเห็นในสิ่งที่มันไม่มีนั่นแหละ ไม่ใช่เห็นในสิ่งที่มันมีจะไปเอานะเห็นในสิ่งที่มันไม่มี <c oughs> ความโกรธมันก็ไม่มีความสุขมันก็ไม่มีดอกความทุกข์มันก็ไม่มีอดูสิ่งที่มันไม่มีอะไรเป็นอะไรเราก็อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นเราปลอดภัยที่สุดเราเห็นในสิ่งที่มันไม่มีเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มันไม่มี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 เห็นไปเรื่อยๆัปพระพุทธเจ้าก็พูดแต่เรื่องขบวีเห็นเห็นทุกเห็นความดับทุกแล้วดับทุกได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นโูกธรรมเห็นนามธรรมเห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นขันท่าเห็นโูกเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นอุปทานเห็นภพเห็นชาติ เห็นเฉลามลนะเห็นโสกับริเทวทุกโทมานอุปสยญาตเป็นการเกิดการดับของน้ำของน้ำลูกโอ้มันเกิดทียิบเลยนาำมลูกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นคนที่สก็จบกันเลยนะจบกันแล้วไม่มีอะไรที่ทําให้เห็นเห็นก่อนเก่านั่นแหละเห็นไปเห็นว่ามันก็ไม่มีค่าไม่เหมือน ตาเห็นรูปนะการเห็นสติปัญญาที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นแจ้งนะไม่ใช่เห็นแบบอุปทานมันเห็นแจ้งนะเห็นผิดเห็นถูกมันทำอะําคำว่าเห็นผิดคําว่าเห็นถูกที่มันก็ทําไปแล้วเห็นผิดมันก็แก้ความผิดเห็นถูกมันก็ทําความถูกทําให้มันถูก ไม่ใช่ไปอบรมถูกเห็นทุกมันก็ทำให้ไม่ทุกเห็นความสุขมันก็ทําให้ไม่สุขเพราะว่าที่เห็นนี่ยอันเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยตัวยานตัวฌานมันเป็นอย่างนี้ีแต่ไม่ให้มันไม่มีธาตุจบเรียกว่ายานโคนตรไปพ่นไปที่สุดก็คือวิมุตต์วิมุตต์คือพ้นไปพ้นจาความสุขพ้นจาความทุกข์พ้นทุกอย่างก็ว่าไมิมุตต์พ้นแล้ว วันอาจารย์พระธาตุเพ่นแล้วเอ้ยโลกรถของโลกพ่นแล้วอเราก็นั่งอยู่ตรงนี้เราพ้นแล้วพอเห็นเนี่ยมันก็พ้นไปพ่นไปพ่นไปมันขนส่งเราไปเองภาวะที่เห็นเนี่ยเราก็นั่งอยู่สุกโตนี่แหละนั่งอยู่บ้านอยู่เรือนของเรานี่แหละแต่ภาวะที่เห็นเนี่ยมันยานมันยานขนส่งไม่ไม่ทั้งยาน ล่วงรู้ไม่ทั้งยานขนส่งเกิดขึ้นแล้วแก่เราวันเราสวดธรรมาจากยานเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรามันเป็นทั้งยานทั้งฉานทั้งขนส่งพ่นไปพ่นไปพ่นไปพ่นไปอจนไกลจากข้าศึกนะ เราก็พูดกันแต่เรื่องอย่างนี้แหละเราก็ทำแต่เรื่องอย่างนี้แหละเห็นก็เห็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ไปเห็นอะไรทําแค่นี้หรือก็ทาแค่นี้แหละรู้จักตัวเลือยไปอังต้นของความรู้จักตัวทำกลางก็คือรู้จักตัวที่สุดก็คือความรู้จักตัวความรู้จักตัวอันต้นความรู้จักตัวอันกลางความรู้จักตัวอันที่สุดมันถูกพัฒนาไปถูกพัฒนาไปถูกพัฒนาไปจน มีคุณภาพจากอันของเก่าไม่มีคุณภาพเราใช่จนเกิดคุณภาพเมืันเราใช่ปากกาใช่ดินสอแต่แรกเขเขียนหนังสือไม่ค่อยงามเขียนปากกาอันเก่าเอาไปมานก็งามมันกสวยถ้าเขียนภาพจิตรกรเขียนปูกันอันเก่ากระดาษก็อันเก่าแต่เขาเขียนก็งามก็เก่าของเถื่อนเก่ามันถูกพัฒนา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 ระหุตมะสัมปวโทภควาสุทางภควันตังอะพิวเทิสุวากาโตภควาตสมโมทัมมังนามะสุปฏิปโนภควาโตสาวะตะสังโฆตังทังนามะ